อนุโมทนาบุญกับคณะผู้จัดงานบรรยายธรรมในโครงการพุทธธรรมกรมคุมประพฤติและก็อนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมโครงการของพุทธธรรมก็ถือว่าการ ฟังธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาชีวิตจิตใ จ, จให้มีคุณธรรมยกดับจิตใ จ, จให้สูงขึ้นจนกระทั่งสิ้นทุกข์ในที่สุดผมเองก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาทำความดีในครั้งนี้ เห็นทุกท่านทำความดีก็อยากจะร่วมทาความดีด้วยเข้ามาร่วมโดยการมาพูดคุยแบ่งปันให้แง่คิดในเรื่องของการปฏิบัติธรรมะอย่างวันเนี้ยให้ผมมาร่วมแบ่งปันในหัวข้อว่ารู้กายรู้จิตสิ้นทุกมันก็ถูกต้องนะโดยธรรมดาเนี่ย เรามีกายมีจิตไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะเป็นทุกข์เรามีกายมีจิตเอาไว้สิ้นทุกข์บอกตรง ว, ว่าหัวข้อเนี้ชอบมากเลย <c oughs> การบรรยายมาทั้งหมดเนี่ยมันเนี่ยชอบหัวข้อเนี้ไม่ทราว่าคนที่ตั้งหัวข้อนี้เนี่ยน่ากลัวไม่ธรรมดา <c oughs> มเป็นหัวข้อที่เจียบขาด ผู้ที่ตั้งหัวข้อนี้คงจะชอบการปฏิบัติธรรมผู้พูดก็ชอบพูดเรื่องนี้มันถนัดแต่ผู้ฟังนี่กลัวว่าจะตั้งท่า ง, ง่วงไว้ซะก่อนเพราะเป็นเรื่องที่มันน่าง่วงจริงๆนะเพราะในช่วงเนี่ยบ่ายมองอย่างเงี้ยนะมันเป็นเวลาที่จะเข้านิพพานนะ่ะ <c oughs> รู้กายรู้จิตสิ้นทุกเนี่ยเป็นหัวข้อเรื่องเอกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม เป็นเรื่องของการเจริญวิปัสนาเป็นเรื่องของตัวเราเองล้วนๆเลยถ้าใครตั้งใจฟังแล้วก็คิดพิจารณาตามเนี่ยจะได้ประโยชน์มากบางทีถ้าเข้าถึงธรรมะตรงนี้แล้วก็มันก็จะสิ้นทุกข์ก่อนที่จะลุกจากเก้าอี้หรือซ้าไปโดยธรรมดาแล้วเนี่ยธรรมะเนี่ย ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรนะแต่เป็นเรื่องจะลึกซึ้งคือเรื่องคนทุกเนี่ยเป็นเรื่องลึกซึ้งมีท่านผู้รู้ท่านได้แบ่งบุคคลไว้สองประเภทเป็นประเภทที่สนใจการปฏิบัติธรรมอย่างแน่วแน่แล้วก็จริงจังบุคคลประเภทแรก คือบุคคลที่มีความทุกข์บีบคั้นจนทนไม่ได้จึงคิดจะหาทางออกจากทุกข์ด้วยการบาปฏิบัติธรรมคือทุกข์บีบคั้นหนักอยากจะดิ้นรนที่ออกจากทุกข์ให้ได้อุปมาไม่างกับว่าเขียดน่ะอยู่ในปากงูกเห็นไหม อขียดที่มันดินอยู่ที่ปากงู เ, เขียดมันพยายามจะดิ้นลนที่ออกจากปากงูให้ได้ในการดิ้นลนนั้นไม่ใช่มันมีความสุขนะมันอยากจะพ้นจากความทุกข์ที่ถูกงูคาบแล้วก็กลืนลงไปซึ่งต่างกับบางคนเนี่ยขึ้นเป็นดิ้นบนเวทียิ่งดิ้นยิ่ ง, ง, งสนุกเนี่ยแต่เขียดปากงูเนี่ยมันไม่สนุกอะ่ะมันมี็นแต่ความดิ้นลนทุลนทุลาย อนนี้อีกประเภทหนึ่งถ้าจะว่าเป็นตัวบุคคลแล้วก็คือบุคคลที่มีความทุกข์บีบขั้นอย่างสภาพผมนี่เป็นต้นแต่ก่อนผมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันรู้สึกว่าเรามีความทุกข์มากจะทําอย่างไรที่จะนําพาชีวิตจิตจเราเนี่ยพ้นจากความทุกข์ไปได้ก็ดิ้นสุดฤทธ์ก็ได้อาศาัยการปฏิบัติธรรมนี่แหละอาให้ชีวิตนี่มันเปลี่ยนมาจากร้ายกลายเป็นดีได้อันนี้กลุ่มประเภทแรก ประเภทที่สองนี่คือประเภทที่เริ่มที่จะค้นหาชีวิตได้พบค้นพบว่าชีวิตเนี่ยมันมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์ที่เคยสังเกตจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาในอดีตซึ่งถูกความผิดหวังบีบคั้นเป็นประสบการณ์ที่น่าเบื่อหน่าย จะทำอย่างไรที่จะดำเนินชีวิตอันประเสริฐได้โดยที่ไม่ต้องมากลับมาเวียนไหวตายเกิดคือเบื่อหน่ายในการเวียนไหวตายเกิดก็เลยมาดำเนินชีวิตอันประเสริฐคือมาสนใจกับธรรมะบุคคลประเภทนี้เป็นบุคคลที่มีปัญญามากคนที่ยังไม่ได้เป็นทุกข์บีบคั้นแต่ว่าเห็นทุกข์เหมือนคนที่มีความสุขแต่เห็นความทุกข์นั้นซ่อนอยู่ในความสุข แม้แต่ความสุขเนี่ยก็มองเป็นความทุกข์ได้เพราะว่าความสุขเนี่ยมันไม่แน่นอนเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นทุกข์แล้วเราก็หาความสุขมากบเปลี่ยนและความสุขมันก็ไม่เดียงก็กลับกลายมาเป็นทุกข์ได้ก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายอยากทำํำยังไงที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ก็จะหันเหตชีวิตมาปฏิบัติธรรมะพวกนี้จะมีจิตใจหนักแน่นมั่นคงมากสนใจเรื่องธรรมะเรื่องพระาศาสนา แล้วก็จะไม่มีวันที่กลับไปใช้ชีวิตแบบทางโลกๆกแล้วบุคคลประเภทนี้หมายถึงบุคคลที่ล่วงการผ่านวัยมาถึงกรรั้นที่ว่าเรียนรู้ชีวิตจนเจนจบแล้วก็จะเริ่มมองชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือผู้ที่มีปัญญาถ้านูฟังเนี่ยจัดอยู่ในประเภทไหนพอจะจัดได้ไหมประเภททุกบีบคั้นหรือประเภทที่เห็นทุกกระทั่งจะออกจากทุก หลืยังหาคำตอบไม่ได้ถ้าไม่เป็นไรล้วก็ฟังไปก่อนอันที่จริงแล้วเนี่ยทั้งสองประเภทเนี่ยกราจะสังเกตว่ามันมีความทุกข์เป็นพื้นฐานเลยมีความทุกข์เป็นพื้นฐานล้วนแต่ถูกบีบคั้นนั้นนะทำให้เกิดศรัทธาทุกข์ทให้เกิดศรัทธานะพยายามจะปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นไม่มีวิธีอื่นนอกจากหลักธรรมะ ในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าโดยชีวิตจริงแล้วสัจธรรมแล้วกายกับใจเนี่ยคือเรียกว่าตัวเราหรือเรียกว่าขันห้าก็ได้เคยได้ยินไหมคำว่าขันห้าขันห้านี่เป็นภาษาบาลีก็หมายถึงกายกับจิตนี่แหละก็คือตัวเรานะ ประกอบด้วยรูปประขันรูปประขันคือเรื่องของกายเรื่องของจิตก็คือนามาขันก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปหนึ่งเวทนา2สังขาร3บวิญญาณ4สัญญา5จริงเขาเรียงเป็นรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณนี่คือขันห้าซึ่งอยู่ในคนทุกคนแล้วขันห้าเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทั้งนั้นทุกใดไม่เกินทุกขันห้าคือตัวเราแล้วที่มันทุกข์หนักก็คือเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นยึดติดว่าขันห้าหรือกาจิตเนี่ยเป็นตัวเราของเรา ตรงนี้แหละเป็นตัวทุกข์ที่แท้จริงเพราะความยึดมั่นในภาษาธรรมเรียกว่าอุปาทานมีหนไหมว่าโดยย่อแล้วอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเนี่ยคือตัวทุกข์ที่แท้จริงถ้าเรายังมีความทุกข์แสดงว่าเรายึดมั่นถิ่มั่นถ้าเราไม่ทุกข์แสดงว่าเราปล่อยวางได้ถ้าใครสามารถปล่อยวางกายปล่อยวางใจ ว่าเป็นตัวเราของเราได้เมื่อไหรแล้วก็ผู้นั้นสิ้นทุก์ทางด้านจิตใจเหลือแต่ทุกทางกายแต่ใจไม่ยึดมั่นทุกทางกายจึงไม่มีผลในทางจิตทุกคนต้อเป็นอย่างเนี้ยเราต้องปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นแต่เรื่องการปล่อยวางเนี่ยมันจะคิดเอาไม่ได้นะถ้าคิดเอาเนี่ยมันง่ายนิดเดียวคิดเอาไม่ได้คิดเท่าไหร่ก็วางไม่ได้จึงต้องมีการ ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็เพื่อตรงนี้เพื่อเป็นการรู้เท่าทันกายเท่าทันใจแล้วก็ปล่อยวางเพื่อจะพ้นทุกที่จริงการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่มีอะไรไม่เรื่องแปลกเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติการปฏิบัติธรรมคือการเอาจิตมารู้ความจริงของตัวเราเอาจิตมารู้ความจริงของตัวเรา เมื่อรู้ความจริงแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ยึดติดแล้วก็ปล่อยวางในที่สุดทีนี่จะทำยังไงนะที่จเจาจิตมารู้จักตัวเรามันจะต้องมีการปฏิบัติมีรูปแบบของการปฏิบัติอันนี้เริ่มต้นนะเริ่มต้นของการปฏิบัติทาก็ต้องอาศัยเรื่องของการเจริญสตินี่นะทำไมต้องเจริญสติ <c oughs> เป็นเพราะว่าจิตของเราเนี่ย มันจะชอบฟุงสร้านชอบครุ่นคิดในเรื่องที่ครุ่นคิดถ้าไม่คิดจิตก็เลื่อนลอยกายอยู่ที่นี่บางทีจิตเลื่อนลอยไปไหนก็ไม่รู้บางทีกายอยู่ที่นี่แต่จิตเนี่ยก็ยังคิดไม่รู้จักตัวเรานะคิดปรุงแต่งอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตนะไม่ผิด ธรรมชาติของจิตเนี่ยชอบที่จะดิ้นรนกัดแกงห้ามยากรักษายากมักจะตกไปสู่อารมณ์ที่น่าใคร่ถูกไมธรรมชาติของจิตเนี่ยก็จะดิ้นรนกวัดแกงห้ามยากรักษายากมักจะตกไปสู่อารมณ์ที่ใคร่จิตเราเป็นอย่างนั้นไหม เรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มองนอกตัวเราเลยนะวันนี้พูดแต่เรื่องตัวเราทั้งนั้นเลยมีเหมือนกันทุกๆคนบันดิตย่อมฝึกจิตจะทำยางไรให้จิตมันไม่ฟุ้งซ่านจะทายัางไงให้จิตมันไม่เรื่อนลอยให้อยู่กับเนื้อกับตัวการปฏิบัติเนี่ยจึงต้องมีหลักให้จิตมันเกาะ จึงจะไม่เลื่อนลอยเขาเรียกว่าถ้าจิตเลื่อนลอยนี่เขาเรียกว่าเป็นจิตที่เป็นสัมภเวสีล่องลอยเป็นผีสับสนหาที่เกิดไม่ได้คือจิตของเรานี่แหละในปัจจุบันนี่แหละถ้าไม่เลื่อนลอยไปเมื่อไหร่แล้วก็มันจะหาที่เกิดไม่ได้เนี่ยจิตสัมภเวสีเ้าจึง ต, ต้องเอากายเนี่ยมาเป็นหลักให้จิตมันเกานะฮะ กายเป็นหลักให้จิตมังเกาะถ้าจิตไม่มีที่เกาะจิตมันก็ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปตามเรื่องตามราวความทุกข์มันจะมาตรงนี้ต้องอาศัยกายนเป็นหลักถ้าจิตอยู่กับกายเมื่อไหร่ล้วก็เป็นทีวิตได้ถ้าจิตเลื่อนลอยไม่อยู่กับกายกายอยู่ที่หนึ่งจิตเลื่อนลอยไปไหนเนี่ยอันนั้นคือสร้ากศพนะจิตต้องอาศัยกายเป็นหลัก <c oughs> การปฏิบัติเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการอาจิตมารู้สึกอยู่ที่กายถ้าเรารู้สึกอยู่ที่กายเมื่อไหร่แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งที่เป็นชีวิตอยู่ยังไม่ตายถ้าจิตออกจากกายเมื่อไหร่แล้ว ก, ก็ถือว่าตายตายแล้วทําไมต้องอาจิตอยู่ที่กายก็เพราะว่าเราต้องการพัฒนาจิตให้มันแข็งแรงให้มันดีขึ้นจิตที่เรื่อนลอยฟุ้งซ่านนั่นไม่จิตที่ไม่มีกําลังนะ ยิ่งฟุ้งซ่านมากคิดมากจิตก็จะหมด ก, กาลังจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยใจเห็นไหมพวกเหนื่อยใจเพราะว่าจิตไม่อยู่กับเรื่อกับตัวเหนื่อยกายเนี่ยพักเดี๋ยวเดียวมันก็หายแต่เหนื่อยใจเนี่บางทีทั้งคืนมันก็ไม่หายเรานอนเหมือนจะหลับแต่มันไม่หลับเพราะจิตมันไม่ยอมหยุดกายมันนอนนิ่งแต่จิตมันไม่ยอมหยุดเมื่อเรานอนไม่เต็มตื่นเนี้ยเรื่งการปฏิบัติเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่กายเป็นหลัก คือการมีสติมารู้ลงไปที่กายเอากายเป็นหลักก่อนจิตมารู้ที่กายเราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันเลยเวลานั่งเนี่ยถ้าเรารู้สึกตัวว่าเรานั่งอันนี้เราได้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้เลยกับการฟังเวลานั่งถ้าเรารู้สึกว่าเรากาลังนั่ง อันนี้เป็นการเจริญสติเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วเป็นบุญสูงสุดแล้วกายลุกขึ้นยืนถ้าเรามีความรู้สึกตัวว่ากำลังยืนอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมขณะกำลังเดินจะไปไหนก็ตามแต่ละก้าวแต่ละก้าวให้เรารู้สึกในปัจจุบันขณะเวลาเรากำลังเดินเนี่ยอันนี้เป็นการเจริญสติเป็นการปฏิบัติธรรมแล้ว ขณะที่เรากําลังนอนก็เหมือนกันนอนนิ่งๆแล้วเรารู้สึกตัวอยู่กับการนอนเนี่ยอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมขณะนอนถ้าให้เรานอนหลับด้วยไอ้ที่นอนไม่หลับเพราะว่าจิตเราฟุ้งซ่านออกนอกกายไปละถ้าจะอยู่กับกายเนี่ยยังไงมันก็หลับใช่ไหมไอ้ที่นอนไม่หลับเพราะาอะไรเพราะเราคุ่นคิดไปตกกังวลถึงเวลานอนก็ควรจะนอนไม่นอนเก็บเอาเรื่องราวต่างๆมาคุ่นคิด จิตจึงสับสนไงจึงเป็นทุกข์มากก่อนจะหลับแล้วก็นอนไม่หลับทั้งคืนก็มีบางทีคิดจนสว่างก็ไม่ยอมหยุดคิดมีสิ่งค้างคาใจมากเพราะไมไ่อยู่กับกายเลยเวลาเราเคลื่อนไหวไปทําอะไรก็ตามขยับเขยืข่อนเคลื่อนไหวเนี่ยอิริยาบถน้อยใหญ่เนี่ยถ้ามีสติ ต, ตามรู้ก็นี่เป็นการปฏิบททัติธรรมทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้ก็ทําได้ไปการปฏิบัติธรรมที่ไร้รูปแบบแต่เป็นชีวิตประจําวันของเรา กายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยสติมันเกิดดีกว่าการที่อยู่นิ่งๆนะกายเคลื่อนไหวสติมันเกิดได้ดีกายนิ่งๆเนี่ยบางทีสติไม่ค่อยเกิดสติมันจะเห็นกายได้ชัดเจนเพราะกายเนี่ยอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราอยู่ใกล้ๆใกล้ตัวที่สุดเลยและมันจับต้องได้มันเป็นสิ่งที่ห ย, ยาบๆจับต้องได้มันเป็นปัจจุบันใครมีชีวิตที่ มกบุญแต่เรื่องอดีตอนาคตเนี่ยถ้ามาม่สติรู้กายเมื่อไหร่แล้วก็จิตจะอยู่ปัจจุบันทันทีเลยแล้วทุกไม่เกิด <c oughs> ทุกมันเกิดเพราะเรามองอดีตอนาคตถ้าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยทุกไม่เกิดเราสามารถทําได้ในชีวิตประจำวันแต่ต้องมีสติให้ต่อเนื่องถ้ามีสติต่อเนื่องเมื่อไหร่แล้วก็จิตมันจะเริ่มมีกําลังมีกําลัง ถ้ามันหลงมันเผลอไปก็ไม่เป็นไรเผลอไปก็ทิ้งไปแล้วกลับมาเริ่มต้นรู้ใหม่มันหลงไปก็เริ่มต้นกลับมารู้ใหม่ไม่ต้องทิ้งกายไปไหนเนี่ยอันนี้เป็นการปฏิบัติได้อย่างตลอดเวลาก็ว่าได้ถ้าเราหลับแล้วก็แล้วไปถ้าตื่นขึ้นมาเราก็สามารถที่จะรู้สึกตัวได้ใหม่ได้เห็น ไ, ไหมธรรมะเนี่ยเกื้อกูลมากนะ ยิ่งคนที่มีอิเลียบทปกตินอนนั่งยืนเดินได้แล้วก็ยิ่งทำได้ง่ายมากทำกับหน้าที่การงานก็ได้ทำต่อเนื่องไปทั้งวันอย่างเงี้ยสติมันจะเริ่มพัฒนาพัฒนาจากสติธรรมดาเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วต่อไปเนี่ยเราไม่ได้เจตนาเจาสติสติก็เกิดขึ้นเองได้สติสามารถเกิดเองได้ ถ้าเราฝึกโดยการตั้งใจต่อไปไม่ต้องตั้งใจหรอกสติเกิดขึ้นเองใหม่ๆก็ต้องอาศัยความเพียรหน่อยอาศัยความเพียรอาศัยความอดทนขยันหน่อยแล้วต่อไปเนี่ยสติมันเกิดขึ้นเองมันจะเกิดเป็นจิตอีกจิตหนึ่งซึ่งเป็นจิตที่พัฒน า, าเรื่อเป็นจิตผู้รู้จิตผู้ดูนะ่ะคนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยจะไม่รู้จักจิตผู้ดูหรอก จะมีแต่จิตธรรมดาธรรมดาที่พร้อมเดยหลงลืมถ้าคนจะลศิตรอ่อนเนื่องบ่อยๆเขาเนี่ยมันจะเกิดจิตผู้ดูขึ้นมานะถ้าเป็นจิตผู้รูนะ้เนี่ยปลอดภัยนะเนี่ยปลอดภัยแล้วทุกจะกล่ํากายไม่ได้ละตอนนี้มันจะมีทุกก็เฉพาะทุกทางด้านร่างกายจิตใจก็จะไม่ทุกจิตผู้ดูเนี่ยมันจะดูอะไรอะ่ะมันก็ดูกายเราอะ่ะ อันนี้จะเริ่มเกิดปัญญาจะดูกายเห็นกายเราตามความเป็นจริงเห็นธรรมชาติของกายเห็นธรรมชาติของกายธรรมชาติของกายเป็นอย่างไรธรรมชาติของกายเนี่ยมันไม่รู้อะไรหรอกกายไม่รู้อะไรหรอกไอ้ที่รู้ได้น่ะคือจิตเป็นผู้รู้นะกายไม่รู้อะไรมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นกายไม่รู้อะไรเห็นไหม คนที่ตายแล้วเนี่ยมันก็มีกายเหมือนกันมันรู้อะไรไหมมันนอนนิ่งเอาไม้ไปติ้มมันก็ไม่เจ็บเอาไฟไปรนนันก็ไม่ร้อนกายเนี่ยจะไม่รู้อะไรไอ้ที่รู้ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะจิตเป็นผู้รู้ต่างหะถูกมเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจอ๋อธรรมชาติของกายเนี่ยมันไม่รู้อะไรมันเป็นเยงแค่สิ่งที่ผูกรู้เท่านะั้น แต่ผู้ที่รู้ผู้ที่ดูคือจิตจิตทำหน้าที่รู้กายทำหม้ที่ถูกรู้เห็น ไ, ไหมเรานั่งนานๆเนี่ยรู้สึกเมื่อยไหมกายไม่เมื่อยหรอกแต่จิตเป็นผู้ที่รู้ว่าเมื่อยเวลานอนหลับเราไม่รู้เลยว่ามันปวดมันเมื่อยเพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่ทํางานจิตมันมมแต่ครุ่นคิดไปอารมณ์ที่ครุ่นคิดคือเรื่องของความฝันมันไม่รู้หรอก เอที่เรียกก็ไม่ได้ยินธรรมชาติของกายเนี่ยมันบอกอีกอย่างก็คือมันมีทุกข์ไม่มีกายคลายเป็นสุขหรอกมีทุกข์เท่งนั้นนั่งนานๆก็เมื่อยต้องขยับขยื่อนการขยับขยื่อนเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นการแก้ทุกข์ให้กับกายนะเห็นไหมมันจะมีสุขได้ยังไง <laughs> มันแก้ทุกข์การกระพริบตาแต่ละครั้งนั่นแหละเป็นการแก้ทุกข์การหายใจเข้าหายใจออก เดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็หนาวเดี๋ยวมันก็หิวเดี๋ยวมันก็กระหายน้ำบางทีมันก็ต้องถ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ยเป็นทุกข์ของกายทนะั้งนั้นอ่ะที่เราต้องแก้ไขมันถ้ากายมีสุขจริงแล้วเราไม่ต้องไปแก้ไขสินะแต่ว่ากายมันมีความทุกข์นี่เริ่มเห็นทุกข์แล้วนะเห็นทุกข์ของกายนะแต่ว่าเป็นผู้เห็นนะเป็นผู้ดู ส่วนกายนั่นคือผู้ที่มันเป็นแต่จิตเนี่ยมันเป็นผู้ดูแล้วอันนี้มันแยกกายแยกจิตแล้วนะทุกจะกัดกินเฉเพาะท่าน่นร่างกายแต่ความทุกข์นีไม่กัดกินใจให้เป็นทุกข์เรามีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอาจจะเป็นโรคร้ายถึงขั้นเป็นโรคมะเร็งถ้าคนเจริญสติจนเข้าสู่จิตผู้ดูผู้รู้แล้วนะมะเร็งจะเกาะกินเฉพาะร่างกาย เล็ดไม่มีวันจะเกาะกินใจให้ทุกได้ทุกขเวทนาทางกายมันไม่เกิดทําให้เป็นทุกขเวทนาหรือทุกขทรมานทางจิตได้เหมือนกันมันแยกกันมันมีประโยชน์ตรงเนี้กายแก่ไปเรื่องของกายจิตเป็นผู้ดูจิตก็ไม่ได้แก่กายเจ็บไข้ได้ป่วยจิตไม่ได้ป่วยด้วยเป็นเพียงแค่ผู้ดู แล้วก็ช่วยเหลือกายเมื่อร่างกายจะเป็นต้องแตกทำลายแล้วก็ตายไปจิตมันก็เป็นเพียงแค่พูดดูในการแตกทำลายของกายจิตจะไม่เป็นทุกข์เราจะเริ่มพ้นทุกข์ทางกายได้ก็ตรงนี้นะนะคือจิตไม่เป็นทุกข์กับกายที่มันทรมานมันแยกกายพิการแต่จิตไม่ได้พิการเห็นไหมมันดีตรงเนี้ยสามารถยิ้มได้ ไม่ว่าสภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ตามเห็นความจริงของด้านร่างกายมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาไม่ได้อยากให้มันสวยมันก็ไม่สวยอยากให้มันผอมมันก็ไม่ผอมไม่อยากให้มันแก่มันก็ต้องแก่ไม่อยากให้มันตายมันก็ต้องตายไม่อยากให้มันแตกทำลายมันก็ต้องแตกทาลาย ร่างกายนี่มันพูดไม่ได้ว่าไม่ฟังนะมันเป็นไปตามเรื่องของมันจริงๆอันเนี้ยอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตวนบังคับบัญชาไม่ได้ถ้ามีจิตผู้ ด, ดูดูกายเสมอๆเนี่ยกายมันจะเปิดเผยเปิดเผยความจริงแล้วเราจะฉลาดในเรื่องของร่างกายจะไม่เป็นทุกๆกรณีที่ร่างกายมันมีอาการเป็นไปนี่แค่เรื่องของกายนะ ก็ยังไม่จบแค่นี้ถ้าเราจิตสติต่อเนื่องไปนานๆจิตผู้รู้เนี่ยมันจะเริ่มตื่นขึ้นมามากตื่นออกมาจากความคิดตื่นออกมาจากความง่อหลงงมงายเมื่อเกิดขึ้นทางจิตมันจะเกิดจิตผู้ดูกับจิตผู้คิดซึ่งเป็นโคลาอนกันงงไหมจิตผู้ดูกับจิตผู้คิด ไม่ใช่จิตเดียวกันนะจิตผู้คิดคือสิ่งที่ถูกรู้จิตผู้ดูคือจิตผู้รู้เกิดไม่พร้อมกันจิตผู้คิดเกิดก่อนจิตผู้ดูเกิดตามหลังมันมีสองจิตที่เกิดไม่พร้อมกันเนี่ยมันอย่างกับท่านผู้ฟังเปรียบเสมือนจิตผู้คิดผมเปบเสมือนจิตผู้ดู ผมเหมือนจิตผู้ดูกําลังทำหน้าที่พูดอยู่ท่านผู้ฟังเป็นเสมือนจิตผู้คิดที่กําลังง่วงกําลังหลับอยู่หลับได้นะไม่เป็นไรนะเนี่ยถือว่าคนหลับเนี่ยทุกน้อยมากทุกน้อยดีแล้วที่หลับได้บางคนเป็นทุกข์เพราะไม่หลับก็เรื่องวันนี้มันเป็นเรื่องรู้กายรู้จิตสิ้นทุกข์อะคนที่เริ่มหลับแต่ว่าทุกจะเริ่มคลาย จะเป็นการบอกว่าแยกกันระหว่างจิตผู้ดูกับจิตผู้คิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยที่มีปัญหามีความทุกข์มากก็ะพรอยความคิดใช่ไหมความคิดเนี่ยทำให้จิตมันเป็นทุกข์เพราะเราไม่มีจิตผู้ดูที่จะไปเห็นจิตผู้คิด เ, เวลามันเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจ เราก็เข้าอยู่ในความคิดเลยโหนี่เราเป็นผู้คิดความคิดคือเราและความคิดนี่มันเอาอะไรมันเอากิเลสความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจความอิจฉาริสยาความหวาดระแวงวิตกกังวลความกลัวความน้อยเนื้อต่ำใจสารพัดอย่างมันมาความคิดัต่นั้นนั่แหละ ตัวเนี้ยเป็นต้นเหตุต้นตอ่อเป็นต้นเรื่องของความทุกข์ทั้งหลายแล้วเราก็ขาดสติขาดปัญญาไม่มีจิตผู้ดูเลยเข้าไปอยู่ในความคิดเลยเข้าไปอยู่ในความคิดเลยเราจึงเกิดเป็นทุกข์ตรงเนี้ยแต่พอเราเจอสติเกิดจิตผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเนี่ยเวลามันเกิดจิตผู้คิดขึ้นมาจิตผู้ดูคือสตินี่มันจะเห็นทันที พอเห็นปั๊บจิตผู้คิดมันก็จะดับมันจะเกิดพร้อมกันไม่ได้มันเกิดพร้อมกันไม่ได้ถ้ามีจิตผู้คิดเกิดขึ้นจิตผู้ดูเกิดไม่ได้ถ้าไม่จิตผู้ดูเกิดขึ้นจิตผู้คิดก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันความคิดจะหยุดทำงานหยุดปรุงแต่งล้มละลายไปเลยก็ทำให้จิตเราเนี่ยมันผ่องใสมันมีความเบิกบานเพราะมันไม่ได้คิดปรุงแต่งอะไร ถ้าเราสามารถจเจริุสติให้ต่อเนื่องกันบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดเป็นจิตผู้ดูอยู่เรื่อยๆนะตรงเนี้ยมันจะเริ่มเห็นความผ่องสาสของจิตใจแล้วทีนี้ถ้าเราจะคิดอนะ่ะถ้าคิดด้วยสติด้วยจิตผู้รู้ผู้ดูแล้วก็มันจะคิดที่เป็นประโยชน์นะมันจะไม่ฟุ้งซ่านเหมือนในความคิดเก่าๆที่เราไม่ได้เคยฝึกจะคิดที่เป็นประโยชน์คิดเป็นระบบ และถึงเวลาหยุดคิดมันก็หยุดได้เหมือนกันจะควบคุมได้คุณธรรมจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีจิตผู้รู้เกิดขึ้นมามันมีประโยชน์ตรงเนี้ยมันจะเริ่มเห็นธรรมชาติของจิตแหละธรรมชาติของจิตนี่มีสองอย่างคือคิดกับรู้สองอย่างอ่ะคิดกับรู้นี่คือธรรมชาติของจิตสรุปแล้วเนี่ย ถ้าเราสามารถเจริญติให้ต่อนเนื่องรู้สึกตัวไปกับกายแล้วก็รู้สึกตัวไปบการจิตมันคิดนึกให้มันต่อนเนื่องบ่อยๆเนี่ยมันจะเห็นธรรมชาติของกายกายคือสิ่งที่ถูกรู้กายไม่รู้อะไรกายมีอาการแตกทำลายไปตามเหตุตามปัจจัยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมาคับบัญชาไม่ได้เราก็จะปล่อยวางกาย ละทางคันนาเดียวกันเนี่ยมันก็จะไปเห็นจิตผู้รู้เนี่ยทําหน้าที่คิดกับรู้แล้วมันก็ไม่เตี้ยงเกิดดับเหมือนกันจิตเนี่ยจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันก็ไม่ควรยึดมั่นถึงมั่นแต่กันไอของที่มันเกิดเดดับดเนี่ยถ้ายึดเมื่อไหร่ยึดจิตเมื่อไหร่ใจก็จะเป็นทุกข์เหมือนกันจิตก็เป็นทุกข์เหมือนกันมันก็จะปล่อยวางเห็นไหมพอเริ่มปล่อยวางทั้งกายปล่อยวางทั้งจิตเนี่ย ซึ่งถ้าเราปล่อยวางความทุกข์ปล่อยวางความยึดมั่นถือมัน่นทุกข์มันจะไม่มีที่ตั้งใจก็จะเป็นอิสระอิสระเพราะาอะไรเพราะว่ามันไม่มีที่จะยึดให้จิตต้องแบกภาระเนีย่ยอิสระเสรีทั้งจิตเลยถ้าใครปฏิบัติอย่างนี้ยมันก็ต้องเห็นอย่างนี้แหละถ้าเป็นธรรมมัตแทะนะมันจะเห็นในสิ่งเดียวกัน อาศัยรูปแบบของการรู้กายแล้วก็จะไปเห็นจิตเห็นความจริงของกายของจิตว่ามันมีความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเราก็จะเบื่อหน่ายแล้วก็มายึดมั่นถึงแม้นในเป็นทุกข์จิตมันก็ไปอิสระจิตที่เป็นอสระนะั้สามารถทําหน้าที่ดีที่สุดเลยทําหน้าที่โดยไม่มีกิเลสแล้วก็จะไม่มีวันที่จะเป็นทุกข์อีกต่อไปทีนี้ถากว่าเราทําถูกต้องนะ ถ้าเจริตถูกต้องอย่างต่อนเนื่องนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตเกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตเราสามารถรู้ได้ตัวเองไม่ต้องไปถามครูบาอาจารย์เพราะเราดูอยู่เห็นอยู่มันต้องรู้เองได้ที่คอยไปถามครูบาอาจารย์นะไม่มั่นใจนะ <c oughs> ไม่มั่นใจตัวเองเรารู้ตัวเองอยู่มันต้องมั่นใจกิเลสมากกิเลสน้อยเนี่ยครูบาอาจารย์ไม่รู้หรอกเราต้องรู้ก่อนที่สังเกตได้ชัดก็คือ สติมันจะเกิดได้ไวขึ้นแต่ก่อนที่เราฝึกสติเนี่ยสติมันไม่ค่อยเกิดยังไม่ฝึกเนี่ยสติไม่ค่อยเกิดแต่พอฝึกแล้วสติจะเกิดบ่อยครั้งแล้วก็เกิดไวขึ้นมันดับไปแล้วก็เกิดได้ไวขึ้นจิตจะมีสมาธิมากขึ้นจะสงบไม่ค่อยวุ่นวายการทํางานการทําหน้าที่จิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่กับงานเนี่ยได้นาน ไม่เบื่อง่ายคนที่ทํางานแล้วเบื่อง่ายเปลี่ยน ง, งานบ่อยๆเพราะจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิชอบเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรคนสมาธิสั้นเพราะขาดสตินําเอาสมาธิมาใช้ในการทําหน้าที่อันเนี้ยถ้าทําถูกต้องแล้วจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้มากจิตจะรู้สึกเบาเบาเบากายเบาใจไม่หนักเหมือนแต่ก่อน ความทุกข์มันจะลดลงมันจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นแล้วก็จะเป็นคนที่เข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นด้วยจะไม่ขัดแย้งกับใครมันจะไม่ขัดแย้งกับใครแม้ว่าใครจะขัดแย้งด้วยแต่เราก็ไม่ขัดแย้งกับใครเราจะเข้าใจรับจะกลายเป็นคนที่มีคุณธรรมละอายชั่วกลัวบาปมีศีลห้า ประจำใจเป็นนิดเป็นคนที่มีคุณธรรมใช่ไหมอันเนี้ยคนที่ปฏิบัติถูกต้องเนี่ยจะมีแต่เรื่องของการผ่อนคลายซะนะทุกข์มันจะลดลงได้ชัดเจนเลยส่วนคนที่ทําผิดผิดหรือปฏิบัติผิดผิดเนี่ยมันจะมีแต่ความเครียดยิ่งทํายิ่งทุกข์ก่อนการปฏิบัติเนี่ยทุกข์ไม่ค่อยมีหรอกแต่พอเริ่มปฏิบัติทำเข้าหน่อยเนี่ยมันทําผิดทางเนี่ยมันจะมีทุกข์มากขึ้น จิตจะหนักตื้อทุกข์มากขึ้นแล้วก็เบื่อหน่ายเซ็งไม่ไปได้บาตรละขี้เกียจเลยนั่นหละคือคนที่ทำอย่างไม่ถูกต้องมีแต่ความเบื่อหน่ายมีแต่ความสงสัยมีแต่ความฟุ้งซ่านไม่ไปสงบเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราอาจจะตั้งจิตไว้ผิดเราอาจจะทำด้วยความอยากอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นมีความอยากมากเกินไป และความอยากทำให้จิตมันดิ้นลนเวลาปฏิบัติเวลาจาสติก็เพ่งเห็นไมพราะอยากแล้วต้องเพ่งพอเพ่งมันก็มีการกดขม่มก็มีความเครียดปวดศีรษะแน่นนะอกพึืงนไส้าอาเจียนนอนไม่หลับทุกต่ง้งันเลยถ้าทำผิดก็จะเป็นทุกข์เห็นได้ชัดเจนบางคนทำแล้วไม่พัฒนาคนที่ปฏิบัติแล้วไม่พัฒนาเนี่ย ก็เพราะว่าติดอารมณ์นะติดอารมณ์ติดความสุขติดความสงบติดความว่างติดความนิ่ ง, งๆเฉยๆไม่พัฒนาอยู่กับที่แสดงว่าเราติดอารมณ์ทําผิดก็ต้องเจริญสติต่อไปก่อนเห็นไหมสรุปแล้วคนที่ฝึกเจริญสติถูกต้องตามหลักวิปัสสนาเนี่ย จะเห็นว่ากายกับจิตหรืออารมณ์ต่างๆเนี่ยมันแยกๆ ก, กันอยู่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันมันแยกกันอยู่แต่คนที่ทําไม่เป็นหรื อ, อยังไม่ได้เจริญสี่ประธานไม่เจริญนิพพสนเนี่ยจะมองทุกอย่างรวมกันเป็นหนึ่งเดียวหมดเลยเป็นตัวเราของเราทั้งหมดเลยมันจะไม่แยกเห็นไหมมันทําการพิสูจน์กับตัวเองเองได้ก็น่าเห็นใจนะพเพราะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ บางทีเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเราไม่เคยสัมผัสมาก่อนถ้าท่านสามารถตั้งใจฟังได้จนกระทั่งบัดนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะเนี่ย <c oughs> อย่างน้อยฟังไม่รู้เรื่องมันก็ได้กุศลเหมือนกันที่ได้ฟังฟังไว้แต่รู้ไว้แค่ว่าใส่บาบแบกหามสักวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะใช้ประโยชน์กับสิ่งที่เราได้ยินนี้มาก็ได้ตอนนี้อาจจะไม่เห็นประโยชน์ไม่เป็นไรหรอกเก็บเอาไว้ว่าเนี่แหละคือทางแห่งความพ้นทุกข์คือการมารู้กายรู้จิตเนี่ย ผลก็คือถ้ารู้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะสิ้นทุกกับทุกทุกคนเนี่ยที่อยากจะชวนท่านุู้ฟังเนี่ยลองฝึกเจรู้สติดูคงจะไม่ลบกวนเวลามากเนาะลองฝึกเจรู้สติในรูปแบบดูก่อนซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากใครบอกการปฏิบัติธรรมนี่ยากเนี่ยมขอคัดค้านการปฏิบัติที่ง่ายการปฏิบัติที่ง่ายมันอยู่กับเนื้อกับตัวเรา เพียงแต่ว่าเราใส่ใจสักหน่อยมันจะเป็นความรู้ใหม่สาหรับเราวิธีการใหม่สาหรับเราแต่ว่าสิ่งนี้มันมีมาก่อนที่เราเกิดมาแล้วพวกเราก็โชคดีที่ได้พบ ก, กับคำสอนแนวทางแบบนี้เรานำมาปรับใช้เราจะฝึกในรูปแบบรูปแบบเนี่ยก็คือการเป็นแนวทางไปสู่การรู้แจ้งแล้วก็สิ้นทุก อาศัยรูปแบบนี่รูปแบบมีหลายอย่างอย่างเรานั่งหลับตาหายใจเข้าใช้คําบริกรรมว่าพุทธหายใจออกใช้บริกรรมว่าโทอันเนี้ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งเหมือนกันหรือเราจะหายใจเข้าดูที่ท้องพองหายใจออกทองยุบ <c oughs> เห็นท้องพองทองยุบคดีนไหมพองหนอ ยุบหนอหายใจเข้าออแล้วก็ว่าพองหนอหายใจออกก็ยุบหนออันนี้ก็เป็นวิธีการปฏิบัติเหมือนกันเป็นแบบฝึกเหมือนกันเป็นรูปแบบเหมือนกันเราจะใช้วิธีการเวทนาในร่างกายให้มีสติอยู่กับทุกเวทนาทางกายอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติในรูปแบบ หรือการเคลื่อนเคลื่อนไหวๆและมีสติตามรู้อันนี้ก็รูปแบบรูปแบบต่างๆนั้นมีไว้เพื่อให้เราได้ฝึกฝนแล้วแต่จริตว่าใครชอบรูปแบบไหนแต่และอย่างแต่ละรูปแบบนั้นเริ่มต้นในการเจริญสติทางนั้นคือการเริ่มเจริญสติทางนั้นเลยถ้าไม่มีสติแล้วก็มันจะเข้านิพพานไม่ได้จะสิ้นทุกข์ไม่ได้ถ้าขาดสติเมื่อไหลใจแล้วก็คิดฟุ้งซ่าน อย่างวันนี้เดี๋ยวลองเริ่มดูสิทำใช้ ส, บ, สบายๆอย่าไปเกรงอย่าไปเกปเรียดการปฏิบัติธรรมเป็ น, บบนปเรื่องส่วนตัวของเราคิดว่าในห้องนี้มีเราอยู่คนเดียว <Yeah. S 1> เราจ ะ, จะเจริญสติแบบเคลื่อนไหวโดยการมีสติมารู้กายกัอนไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องหลับตาแต่ขอให้ทอดสายตาลงต่ำนิดนึงตอนนี้ไม่ได้ใช้สายตา ไม่ต้องก้มหน้าทอดสายตาลงต่ำนิดนึงเหมือนพระพุทธรูปหน้าตรงแต่สายตาท่านหลบลงต่ำการที่สายตาหลบลงต่ำนั้นมีความหมายว่าให้กลับมาดูตัวเองการมาดูตัวเองนั้นไม่ใช่ดูด้วยตาดูด้วยความรู้สึกลองใช้มือข้างในข้างหนึ่งวางตงนั้นนะไม่ต้องขยับมือข้างในข้างหนึ่งลองกำมือ แล้วก็แบมือกรัรมมือแบมือทำไปเรื่อยๆทำความรู้สึกตัวไปกับการก ร, รมและก็รู้สึกแบและก็รู้สึกอันนี้ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรไม่ต้องใช้คำบริกรรมอะไรนะให้รู้สึกล้วนๆกับมือที่มันเคลื่อนกมัมเคลื่อนแบให้รู้สึกที่การเคลื่อนเคลื่อนไหว ที่มือกำลังกำกำลังแบทําช้าๆเจตนารู้ลงไปที่มือกําลังกำกําลังแบให้จิตอยู่กับปัจจุบันอยู่ที่มือของเราเนี่ยไม่ได้ใช้สายตาใช้ความรู้สึกสัมผัสอยู่ที่การเคลื่อนไหวของมืออย่าเพิ่งไปเจตนาคิดอะไรนะอย่าเพิ่งไปใช้ความคิด แต่อย่าไปห้ามความคิดถ้าความคิดจะคิดก็ปล่อยเขาไปแต่เรามาเจตนาแล้วก็ใส่ใจที่จะรู้ที่มือกําลังกรรํกาลังแบล ร, รู้สึกเบาๆสบายๆอย่าไปเพ่งมันถ้าเพ่งเมื่อไหลใจเราจะเครียดทันทีเลยทําเล่นๆแบบผ่อนคลายถ้าใครรู้สึกไม่ชัด ให้กำแน่นๆแล้วก็แบรแรงๆเนี่ยกำแรงๆแล้วก็แบรแรงๆหน่อยกระตุ้นให้จิตมันตื่นให้สติมันเกิดรู้ได้ชัดเจนถ้ามันคิดไปยิ่งไปเลยกลับมาเริ่มต้นรู้ใหม่มือกําลังเคลื่อนไห ว, ไหวกๆกำกำแบๆอย่างนี้นเอากายคือส่วนของมือเนี่ยมาเป็นหลักให้สติที่เข้าไปเกาะไว แต่การเกาะนี่อย่ากเกาะแน่นเกาะแบบแตะๆรู้อยู่ห่างาจิตก็เป็นกลางๆอย่าไปยินยินร้ายเวลามันคิดไปก็ทิ้งไปเลยกลับมาเริ่มต้นรู้ใหม่การที่เริ่มต้นรู้สึกตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นชีวิตใหม่ให้มีปัจจุบันอยู่กับการเคลื่อนไหวของมือเบาๆ เ, เล่นๆแบบผ่อนคลาย อย่าไปบังคับเมื่อจิตมันหลงก็หลงก็แล้วไปแล้วก็เริ่มต้นรู้ใหม่เบาๆห่างๆถ้ามันเกิดความง่วงก็อย่าไปห้ามมันให้รู้ว่าเนี่ยจิตมันง่วงแล้วก็ทิ้งไปเลยกลับมาเริ่มต้นรู้ใหม่ถ้ามันไม่ชัดทําเร็วๆอีกหน่อยกําแมเร็วขึ้นอีกหน่อยนึงมันในการกระตุ้นจิตให้มันตื่นตื่นรู้ตื่นรู้เมื่อตื่นรู้แล้วจิตมันจะเริ่ม เป็นปกติอาจจะเบิกบานตามมาถ้าเกิดความคิดเห็นมาเลยเห็นมันคิดแล้วก็ทิ้งไปเลยถ้าจิตไม่คิดก็กลับมารู้กายที่มันเคลื่ น, น, นเคลื่อนไหวๆเบาๆทํำเล่นแบบผ่อนคลายเราจะนั่งรอใครเราก็มารู้สึกตัวกับการกำมือแบมือเข้าที่ประชุมยวงว่างแล้วก็ไม่ต้องคุยกัน เรากลักบมาเคลื่อนไวหวมือและก็รู้สึกตัวไหมเป็นการปฏิบัติ ท, ทําได้ตลอดทั้งวันเลยทันทีจะนั่งรอใครนานๆจิตมันจะเบื่อจะฟุ่งซ่านจะไปสนใจมันกลับมาลุกลงไปที่มือที่กำกำแบแบเบาๆถ้าเรารู้มือเคลื่อนไวหวต่อนเนื่องในรูปแบบเนี้ยนะเมื่อจิตมันคิดเนี่ยสติมันจะเห็นทันดีจะกลายเป็นจิตผู้ดูดูกายที่มันเคลื่อนไห ว, ไว แล ต, ต่อไปมันจะเห็นจิตผู้คิดมันมาปรุงแต่งกายเป็นสิ่งที่ถูกดูจิตเป็นผู้ที่ดูผู้ที่รู้ใช่ไมมันเกิดการแยกกันบ้างไหมกายได้เคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกจิตผู้รู้เนี่ยรู้ออกมาจากข้างในแต่ไม่แยกก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปคิดให้มันแยกคิดให้มันแยกเนี่ยมันไม่แยกหรอกเราไปเพียงกล้ารเริ่มต้นใหม่ ที่เราจะใช้ส่วนไหนก็ได้ที่มันเคลืค่นไหวๆก็ไปการจริตสิทั้งนั้นเอาละไหนใครไม่รู้สึกตัวบ้างในะครับที่มือกาลังกำลังแบกใครไม่รู้สึกตัวบ้างใครไม่รู้ตัวบ้างไหนใครคิดฟุ้งซ่านไหนใครง่วงนอนแล้วจิตมันอยู่ที่ไหนอะฟังมันคนไม่มีจิตเลยนะจิตคือผู้ที่รู้ ถ้าเรามีความรู้ตัวนะเรามีจิตแล้วเรามีสติแล้วถ้าเราหลงลืมแสดงว่เาเราขาดสติแต่มันลืมได้นะเพราะว่าจิตหรือสติเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมันก็มีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกแต่มันดับไปแล้วสติเนี่ยจะเกิดเร็วถ้าเราฝึกบ่อยๆมันหายไปมันจะเกิดได้ไวมันจะไม่หายไปนานนะเราหลงลงุ่สติแล้วมันจะมาได้ไวถ้าเราดําเนินชีวิตด้วยการเจอจิตอย่างเนี้ย วิตเรามันจะเบานะที่เราเปลี่ยนสมมตินะถ้าเราไม่อาศัยการกรรมแบลหรือเคลื่อนไหวมือเนี่ยเร า, าจจะใช้วิธีการเดินจงกรมก็ได้เดินจงกรมคืออะไรไม่ใช่เดินหมุนๆ <c oughs> <c oughs> เดินจงกรมคือเดินอย่างมีสติเดินกลับไปกลับมาเดินอย่างมีสติเรียกว่าเดินจงกรมในรูปแบบอาจจะใช้การก้าว อาจจะเป็น9 9หรือ1ิบ1 1้าสเกก็ได้เดินกลับไปกลับมาแต่เดินจากมีสติเมื่อเราเดินจงกรมเนี่ยเราเปลี่ยนวิธีการระลึกรู้เรานั่งอยู่เนี่ยมารู้ถึงการเคลื่อนไหวของมือใช่ไหมเวลาเดินเนี่ยเปลี่ยนมารู้ถึงการเคลื่อนไหวของเท้าการก้าวแต่ละก้าวให้รู้สึกตัวแต่ละก้าวให้รู้สึกให้รู้ว่าขณะ น, นี้ปัจจุบันนี้ เรากำลัง 9, ก้าวกาลังก้าวให้รู้สึกตัวกายที่มันก้าวเดินนั้นคือสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ไม่ใช่เราเดินกายมันเดินแต่จิตเป็นผู้รู้ว่ากายเดินเห็นไหมมันแยกกายแยกจิตได้ขณะที่เราเดินจงกลมด้ซ้ำไปมันต้องแยกกันเพราะว่าจิตกับกายเนี่ยทำหน้าที่ต่างกันจิตทําหน้าที่รู้กายทําหน้าที่ถูกรู้เห็นไหมเดินจงกลมก็รู้ได้ ที่แทาเราทานอกรูปแบบเราเดินจงกรมแล้วเราเปลี่ยนใหม่เราเดินเข้าองน้ำเดินอย่างมีสตินั่นเป็นการเดินจงกรมเหมือนกันเดินจงกรมคือการเดินอย่างมีสติรู้สึกตัวเราเดินจงกรมสติเที่ยวแต่เราขาดสติสู้การเดินเข้าองน้ำและมีสติไม่ได้นั่นคือการปฏิบัติที่แท้จริงกายเคลื่อนไหวได้วยวิธีใดให้มีสติรู้เวลาจิตมันคิดปรุงแต่ง ในเรื่องอะไรก็ตามให้มีสติรู้ขอค่าเพียงรู้ทันอาการของกายากาของจิตท่านั้นอันนี้เป็นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ถามว่าเราดาเนินชีวิตด้วยการมีสติตามรู้อยู่เสมอเสมอเนี่ยจิตเราเนี่ยมันจะผ่อนคลายผ่อนคลายกับการทำงานเพราะท้าที่สิดจะไปคิดปรุงแต่งจิตมาอยู่กับเนื้อกับตัว อย่ามีสติจิตมันก็ไม่เครียดไอ้ที่เราทำงานแล้วเครียดเพราะจิตเราคิดไปปรุงแต่งนะพอเริ่มทำงานปับ๊บจิตก็เริ่มคิดและงานจะเสร็จไหมจะเสร็จทันเวลาหรือเปล่าใครจะว่าอะไรไหมเราจะได้อะไรจากงานนี้มากคือจิตออกนอกแดนงานไปจิตมันก็ทาหน้าที่เหนื่อยหนะักถ้าจิตอยู่กับเนื้อกับตัวในขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจิตมันจะไม่ทุกข์มันจะมีความผ่อนคลาย มันจะไม่ค่อยมีปัญหาใคไรจะมีสติรู้อยู่เรื่อยๆความวุ่นวายใจความเดือดร้อนใจความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นนะความสุขก็จะเข้ามาแทนที่ความเบิกบานใจในขณ ะ, ะที่เราทำงานเนี่ยเป็นการปฏิบัติทําได้ตลอดเวลาเลยในขณะที่เราเป็นเจ้าหน้าที่คุมประพฤติทุกวันเนี่ย เรามีสิทธิ์ได้ครูประพฤติตัวเราเองหรือเปล่าเรามีกายมีจิตเรามีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของไหมได้ควบคุมกายควบคุมจิตเราไหมทุกวันเนี่ยเรามีกายมีจิตแต่เราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของกายเจ้าของจิตแท้จริงเราปล่อยให้กิเลสมาคุมประพฤติกายจิตเราใช่ไหมเราเมืกระทําตามกิเลสพูดตามกิเลสคิดตามกิเลส เราไม่เคยเป็นเจ้าของตัวเราที่แท้จริงเลยกายเป็นธาตุรับใช้จิตจิตตกเป็นธาตุรับใช้กิเลสชีวิตเราต้องมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ไงตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยเราต้องปฏิวัติใหม่ให้สติสัมปชัญญะเป็นผู้ที่คุมประพฤติกายวาจาใจเราถ้าสติสัมปชัญญะ หรือสติปัญญาเนี่ยมันคุมประพฤติกายวาจาใจาแล้วเมื่อไหร่แล้วก็ใจเราก็จะไม่ไปคิดผิดแม้คิดผิดแล้วก็ไม่ทําตามก็ได้ไม่พูดตามไม่ทําตามแล้วก็ไม่คิดปรุงแต่งต่อเติมตามก็ได้มันจะเป็นอิสระชีวิตจะเป็นอิสระตรงเนี้ตรงที่มีสติคุมประพฤต์กายวาจาใจาให้เป็นปกติปกติของกายคืออะไรคือไม่เบียดเบียนใคร ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติิดในการมไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรานั่นคือปกติของกายเรียกว่าเรามีศีลแล้วนะปกติของจิตคืออะไรคือไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านแปร ล, ลมต่างๆจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นจิตที่อ่อนแอจิตที่มีสติคอยควบคุมอยู่เนี่ยเป็นจิตที่เป็นปกติ มันจะเกิดสมาธิจิตมันก็เป็นบุญอยู่ในตัวเมื่อมีสติมีสมาธิมีสีจแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดปัญญามารู้แจ้งในตัวเราตัวเนี้ยเราต้องเป็นชีวิตใหม่ให้สติสัมปชัญญะมาคุมประพฤติกายวาจาใจใจเป็นบุญไปกุศลเราก็จะไม่มีความทุกข์กายกับจิตมีไว้เพื่อเรียนรู้ ถ้าเราเรียนรู้กายเรียนรู้จิตถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะสิ้นทุกในที่สุดเราจะเป็นคนที่อ่อนแอจะเป็นคนที่เข้มแข็งไม่ตกเป็นท่าของกิเลสต่อไปนะก็เห็นว่าสมควรเกิดเวลาแล้วเนาะ <c oughs> ก็ได้เห็นใจนะที่บางท่านก็นอาจจะฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรหรอกนะฟังไว้เราก็ได้บุญเหมือนกันบุญเกิดจากการฟังธรรมะ ผู้พูดนี่ก็มีความตั้งใจเหลือเกินพยายามอยากจะพูดทุกท่านเนี่ยเข้าใจถึงจะไม่เข้าถึงก็ไม่เป็นไรเข้าใจไว้ก่อนก็ดีกว่าที่เราพูดิที่ไร้สาระวันๆหนึ่งเราฟังสิ่งที่ไร้สาระมามากแล้วลองฟังสิ่งที่เป็นสาระดูบ้างบางทีเราอาจจะได้แง่คิดได้กำลังใจในการดำเนินชีวิตบ้างอันล้สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้กับเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ท, ทุกท่าน จงมีจิตที่มีสติสัมปชัญญะคอยคุ้มครองดูแลอยู่จนจิตเนี่ยรู้ตื่นเบิกบานมีดวงตาเห็นธรรมสิ้นทุกในที่สุดด้วยการทุกท่านทุกคนเถิด